เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมิยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทักษกรคนชอบเล่าวันนี้วันมาฆบูชาบันพระงดเข้าป่าเร้นลับกันสักวันนะครับคลิปนี้ผมอยากนำเรื่องราวจากบันทึกของพระมหาปัญโนมาถ่ายทอดนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อบุญส่ง เรื่องราวเขาจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับบุญส่งชายหนุ่มผู้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการใช้ชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาซึ่งวันวันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรนอกจากตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทํานาพอตอนบ่ายๆกลับจากทำนาก็ไปหาปลาหาไข่มดแดงหรือไม่ก็ไปตีไก่ส่วนบางบ้านก็ตั้งวงกงเล่าบุญส่งนั่งมองไปรอบๆก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหันไปหันมาก็เห็นแต่วิถีชีวิตเดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในชีวิต มองไปรอบๆครั้งแล้วครั้งเล่าก็เห็นมีตะเพียงรถไถ ท, ที่จอดอยู่หน้าบ้านส่วนพ่อของเขาก็ออกไปกินแต่เล่าส่วนแม่ก็ออกไปหาเก็บผักตามท้องไร่ท้องนาบุญทรงคิดไปคิดมาจึงตัดสินใจขับรถไถยไปตลาดที่อยู่ในตัวเมืองใช้เวลาไม่นานก็มาถึงหลังจากจอดรถไถ่ายแล้วเขาก็ลงไปเดินตามตลาดดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยสองเท้าก้าวย่างไปอย่างเชื่องช้าตาเหมือมองเลื่อนลอยเหมือนคนกำลังหาจุดหมายให้กับชีวิต บุญส่งเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านหนึ่งภาพที่ทำให้บุญส่งต้องหยุดยืนดูก็คงเป็นภาพของชาวนาครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกเล็กๆอีกสองคนทั้งหมดกำลังตั้งใจเลือกซื้อทีวีจากร้านแห่งนั้นบุญส่งยืนดูด้วยความสนใจสักพักก็เห็นเจ้าของร้านหยิบอสมุดเล่มหนึ่งซึ่งมีความหนาประมาณหนึ่งนิ้วน่าจะได้บุญส่งเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งประหลาดใจ และนึกอยู่ในใจว่าเหตุใดเจ้าของร้านจึงไม่หากล่องมาใส่ทีวีเครื่องนั้นจะกลับเดินไปหยิบเอาสมุดมาแทนมันทําให้บุญส่งเกิดความสงสัยขึ้นมาจึงตั้งใจจะหยุดดูเพื่อให้รู้จากนั้นเขาก็เห็นชาวนาผู้เป็นพ่อหยิบแบบประชาชนส่งให้กับทางเจ้าของร้านเมื่อเจ้าของร้านรับับบประชาชนไปก็ก้มหน้าก้มตาขีดเขียนลงไปในสมุดเล่มนั้นเมื่อเขียนเสร็จก็ส่งให้ส่งผัวเมียนั้นเซ็นชื่อเท่านั้นบุญส่งก็พอจะรู้ได้ว่าครอบครัวนี้ซื้อทีวีด้วยระบบเงินผ่อน บุญส่งเห็นแล้วก็ถอนใจหลังจากที่เดินเตรลเตลอยู่สักพักเขาก็ได้แวะที่ร้านขายข้าวเหนียวส้มตํมาเมื่อตรงเข้าไปในร้านเขาก็สั่งซุ้มตำพร้อมข้าเหนียวมา1กระติบจากนั้นไม่นานซุ้มตําพร้อมข้าเหนียวก็เสิร์ฟอย่างโต๊ะที่เขานั่งบุญส่งไม่รอช้ายกมือเสยผมสองสามครั้งแล้วใช้มือจอกข้าเหนียวปั้นจิ้มสุ้มตํากินอย่างอเอร็ดอร่อยขณะที่เขากําลังเพลิดเพลินอยู่กับรสชาติที่อร่อยของส้มตําอยู่นั้นเขาก็ทอดสายตาไปยังร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กําลังยกกของลงลจารถ เสียงของเด็กในร้านตะโกนบอกกับเจ้าของว่าลูกค้าร้านนี้ไม่ได้ส่งเงินหหลายเดือนแล้วเลยต้องยืดของคืนบุญส่งเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตมากขึ้นเขาเรีบกลับบ้านแล้วตรงไปหาแม่ทันทีเมื่อเข้าไปถึงก็เห็นว่าแม่ของตนเองนั้นกำลังจัดเตรียมอาหารเย็นอยู่ส่วนพ่อเพิ่งกลับจากการกินเหล้าเดินเอียงซ้ายเอียงขวาตามประษาคนเมาจากนั้นบุญทรงก็เริ่มแถถ้อยความรู้สึกของตนเองให้แม่ฟังว่าหากอยู่แบบนี้ชีวิตก็วนเวียนไปไม่ต่างจากพ่อเท่าไหร่นัก เลยอยากจะขอไปใช้ชีวิตในกรุงเทพเพื่อจะพบเส้นทางสร้างชีวิตใหม่ให้กับครอบครัวเมื่อผู้เป็นแม่ได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะรู้ดีว่าตนเองก็ไม่อาจที่จะเลี้ยงลูกได้ตลอดชีวิตของเขาในใจก็ได้แต่หนึกว่ายิางดีที่ลูกชายอยางรู้จักสแสวงหาความก้าวหน้าจะไปเมื่อไรล่ะกรุงเทพมันอยู่ยากนะคนบ้านนอกโขกหนายอย่างเราเขาไประวังเขาจะหลอกเอานะถ้าอยากจะไปจริงๆได้แม่จะเขียนจดหมายไปบอกไอ้ชุวิห้ ผู้เป็นแม่กล่าวด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเพราะลูกชายของตนจะไปอยู่ที่ไกลหูไกลตาครั้นบุญส่งได้ยินแม่พูดเช่นนั้นก็ถึงกับหูกางตาโพลงขึ้นมาทันทีจริงหรือแม่ดีเลยเขียนตอนนี้เลยนะบุญส่งรีบลุกไปหยิบกระดาษและปากกาส่งให้แม่ของเขาด้วยความรวดเร็วโฮ้ยเอ็งจะไปทํางานกรุงเทพจึงระไว้บุญส่งแล้วไรนะที่นี่ล่ะใครจะทำํำข้าทําไม่ไหวหรอกนะถูกพ่อที่นาเราหนะมีอยู่นิดเดียวทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว ฉัไปทํางานที่กรุงเทพพอได้เงินมาเราก็ไปจ้างคนอื่นทําก็ได้หรือจะซื้อนาของยายจวงที่ติดกับนาของเราก็ได้นะไม่แน่ถ้าฉันได้ทํางานดีๆบุญส่งพูดพร้อมกับสิยงหัวเราะดังลั่นบ้านคืนนั้นบุญส่งนอนวาดฝันถึงอนาคตยิ่งสวยงามเกี่ยวกับเรื่องราวกา ร, รเผชิญโชคในบางกกเวลาผ่านไปไม่กี่วันฝันของเขาก็มาถึงเมื่อเขาได้รับจดหมายจากระฉุยว่าจะมารับที่หมอชิดบุญส่งรีบเก็บเสื้อผ้าและเข้าของเครื่องใช้เตรียมออกเดินทางด้วยความดีใจ เช้าวันรุ่งขึ้นบุญส่งลาพ่อแม่เราเรีบเดินทางไปที่ท่ารถบรขอสอด้วยหัวใจที่เบิกบานพองโตบุญส่งจากแดนดินที่ราบสูงแบกนำความหวังเต็มหัวใจจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพเมืองสรีวิไลที่เขาใฝ่ฝันอยากเข้ามานานแล้วชีวิตของเขาตอนนี้มันช่างสดชื่นหอมหวานประดุจนกน้อยที่ผัวผินออกจากรังเขานั่งพิงเบารถพร้อมกับวาดฝันเป็นต่างๆนานาเมื่อรถแล่นออกไปสักพักเขาก็เคลิ้มหลับด้วยความอ่อนเพลีย มารู้สึกตัวอีกทีตอนรถเข้าจอดเทียบชันชลาที่หมอชิดทันทีที่บุญส่งลงจากรถก็มีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจเพราะมองไปทางไหนก็มีแต่รถตราและผู้คนมากมายสองขาเริ่มก้าวไม่ออกขณะที่สายตาคอยสอดส่องหาแต่ชุยไปด้วยไอ้บุญส่งทางเน้ข้าอยู่เน่สิ่งแต่ฉุยแต่กกนเรียกทำให้บุญส่งใจชื้นขึ้นมาเพราะคิดว่าถ้าไม่เจอแต่ฉุยก็ไม่รู้จะเริ่มต้นกับตัวเองอย่างไรเพราะเมืองกรุง ม, มันกว้างใหญ่กว่าที่คิดไว่มากมาย ม, ายมหาศาล สวัสดีครับเตฉุยบุญส่งยกมือไหว้ทันทีที่เห็นเตฉุยเดินเข้ามาหาเออเออไหว้พระตัวเองเตฉุยยกมือรับพร้อมกับพูดออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรบุญส่งได้ยินก็ถึงกับสะดุง้งหันมองซ้ายมองขวาด้วยความแปลกใจเพราะไม่เข้าใจในคําพูดของเตฉุยไหนล่ะพระคุณเตฉุยฉันมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีเลยเตฉุยอย่าโกหกผมนะครับบุญส่งทำตาเหลือกหลากใส โอ้ในเองไม่รู้จักคำเปรียบเทียบบางเรื่องไงเองคนอะไรมาเยอะเชียวไปไปไปพักอยู่กับข้าก่อนจากนั้นตะฉุยก็พาบุญส่งเดินออกจากชั้นชลาหมอเช็ดมุ่งหน้าไปยังบ้านของเขาระหว่างที่บุญส่งเดินตามหลังไปนั้นเขาตื่นตา ก, กับตึกรามบ้านช่องที่สูงกว่ายอดตาลที่บ้านและเมื่อตะฉุยพาขึ้นรถไฟฟ้าเขาถึงกับตะลึงด้วยความตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ขึ้นรถไฟฟ้าแบบนี้เฮ้ยเดินสิวะถึงกับเกาขาไม่ออกเลยหรอวะ ตาชุยดึงมือบุญส่งให้เดินตามเมื่อผ่านเข้าไปอยู่ด้านไหนบุญส่งก็ต้องประหลาดใจไม่เห็นประตูเปิดปิดได้เองด้วยความที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นถึงกับตะโกน ล, ลั่นว่าผีหลอกทําให้ทุกคนที่ยืนอยู่บริเวณนั้นพากันแตกตื่นก็โทษครับร้านผมเพิ่งมาจากบ้านนอกจากนั้นทั้งสองก็รีบแวกฝุ่ชนไปอยู่อีกมุมหนึ่งของรถไฟฟ้าใช้เวลาเดินทางไม่นานก็มาถึงบ้านพักของตาชุยซึ่งเป็นบ้านไม้เล็กๆย่านเอ ก, กไม คืนนี้เองนอนพักอยู่กับข้าไปก่อนละกันพรุ่งนี้ข้าจะลองไปถามติดทํางานว่ารับคนงานไหมคืนนั้นบุญส่งนอนหลับพักผ่อนอยู่ที่บ้านของเธอชุยอย่างสบายอกสบายใจอาทิตย์ต่อมาอ้าวไอ้บุญสรงพรุ่งนี้เองเตรียมตัวให้พร้อมนะเดี๋ยวข้าจะพาเองไปทํางานเมื่อบุญสรงได้ยินเสียงเธฉชุยบอกเช่นนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากบุญส่งคิดวาดฝันไปว่าตนจะได้ทํางานสมใจอยากสักทีและตั้งใจว่าถ้าได้เงินเดือนงวดแรกก็จะรีบส่งกลับบ้านทันที จากนั้นแต่ชุยก็ได้พาบุญส่งไปยังปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ทํางานของแกเองเจ๊เอ๋อฉันพาหลานชายมาทํางานมีอะไรก็ใช้มันได้เลยนะสิ่งแตฉชุยบอกกับเจ้าของอู่ล้างรถเออดีดีดกาลังต้องการคนเลยว่าแต่มันขยันหรือเปล่าล่ะช่วงทดลองงานเอาไปวันละร้อหก่อนนะเข้ากลางวันเจเอ๋อกให้งานที่นี่มันหนักหรอกไอโตเอ็งมาพาบุญส่งไปล้างรถได้คนบุญส่งได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจอย่างมากเขาคิดว่าตนได้ทํางานสบายเมื่อรถเข้ามาจอด บุญทรงก็ทําตามที่ไอโตทําอย่างข ม, กมักกระม่นไอบุญทรงขันหน้ามาแล้วเองไปรับลูกค้าเองนะบุญส่งก็รีบวิ่งไปโบกรถให้เขาที่จอดล้างรถล้างให้สะอาดๆหน่อยนะไอ้น้องคนขับรถพูดจบก็ก้าวหลงจากรถบุญส่งหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหากระป๋องน้ําในใจก็นึกอยู่ว่าจะล้างให้สะอาดตามที่เจ้าของรถบอกะระหว่างที่เช็ดล้างอยู่นั้นก็สังเกตเห็นด้านหลังของรถมีคราบอย่างมาต้อยติดอยู่จึงอยากจะล้างออกให้เกลี้ยง เมื่อหันไปเห็นสกอตต์ไบรท์จึงหยิบมาพร้อมกับเทชชมพูลงในนั้นแล้วก็ก้มหน้าก้มตาขัดยางมะตอยจนสีรถถลอกเป็นทางยาวแต่ยางมะตอยก็ยังหลุดออกไม่หมดขณะที่บุญส่งจริงจังกับการขัดหลังยางมะตอยอยู่นั้นเขาก็ถึงกับตกใจเฮ้ย hey, ตายหาแล้วนี่เองทำอะไรกับรถตายตายตายตายแนะ่สิงเจแอลร้องทักลัน่นอ้าวก็จะของรถบอกให้หล้างให้สะอาดไงผมเห็นมีคราบยางมะตอยติดอยู่เลยตั้งแต่จะล้างออกให้หมด บุญส่งพูดพร้อมกับใช้น้ำล้างที่ตัวรถเพื่อให้เจ๊แอลดูวความสะอาดแต่ทันทีเจ๊แอลจะกล่าวชมกลับทำท่าเหมือนลมใสขึ้นมาดืด้อสีหน้าท่าทางของเจ๊แอลเปลี่ยนไปทันทีสักพักเจ้าของรถก็เดินเข้ามาดูพร้อมกับโวยวายยกใหญ่สรุปว่าวันนั้นเจ๊แอลต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าพร้อมกับไล่แต่ฉุยและบุญส่งออกจากงานทั้งคู่โอ้โหไอ้บุญส่งทำขาสะตกงอนเลยแต่ก็ช่างมันเถอะข้ายังพอมีเพื่อนอยู่อีก พรุ่งนี้เราซ่องขนข่อยตั้งหลักใหม่วันนี้กลับไปพักผ่อนเอาแรงก่อนเอ็งไม่ต้องคิดมากหรอกคืนนั้นบุญส่งนอนไม่หลับเอาเสียเลยเพราคิดถึงแต่เรื่องนี้ทั้งคืนครั้นพอรุ่งเช้าแต่ฉุยก็พาบุญส่งไปหาเพื่อนพูดคุยกันอยู่นานทั้งสองก็ได้งานทําอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งโดยเป็นลูกน้องขอหยิบเครื่องมือตามที่เขาสั่งส่วนแต่ชุยพอมีพื้นฐานอยู่บ้างจึงไม่น่าเป็นห่วเท่าไหร่บุญส่งกูโตเรียนรู้อีกระยะหนึ่งซึ่งเขาเองก็ตั้งใจเป็นอย่างมาก เมื่ออยู่ที่นี่ก็ได้รู้จักกับผู้คนมากมายหลายตาด้วยความที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้บุญส่งเป็นที่ถูกใจของเพื่อนร่วมงานใครงเงินเดินออกเขาก็ส่งให้ทางบ้านไม่เคยขาดจนเป็นที่ปราบปลื้มใจของพ่อแม่เป็นอย่างมากทุกวันหลังเลิกจากงานแต่สุ่ยกับเพื่อนมักจะนั่งก่งเล่าเป็นประจำโดยมีบุญส่งคอยวิ่งซื้อเล่าซื้อกับแกล้มให้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองเดินทางกลับบ้านก็ได้พบกับแท็กซี่คันหนึ่งซึ่งจอดเสียอยู่ข้างทางทั้งคู่จึงเข้าไปช่วยซ่อมจนรถติด คนขับรถแท็กซี่จึงตอบแทนด้วยการพาไปส่งถึงบ้านเมื่อขับมาก็รู้ว่าเป็นคนซอยเดียวกันนำซ้ำยังเป็นคนบ้านเดียวกันอีกจึงทําให้สนิทสนมกันง่ายขึ้นคนขับแท็กซี่จึงเอ่ยปากชวนให้ไปทําที่อู่แท็กซี่ทั้งสองจึงตอบตบลงทันทีเพราะว่าที่ไปอยู่ที่อู่เดิมคงไม่มีอะไรดีขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นคนขับแท็กซี่จึงพาทั้งสองไปทํางานที่อู่สเดือนต่อมาทั้งแต่ช่วยและบุญส่งก็ได้ย้ายไปพักที่อู่ โดยที่เจ้าของอู่แท็กซี่ให้อยู่ฟร์เพราะเห็นความตั้งใจและความขยันในการทํางานบุญส่งเริ่มขับรถคล่องและชํานาญขึ้นเมื่อเจ้าของอู่เห็นความสามารถก็ให้คนรู้จักพาไปทไปําใบขับขี่เพื่อให้ขับไปไหนเมื่อไหนได้วันหนึ่งเหมือนฟ้ามาโปรโดสวรรค์เปิดทางให้เมื่อมีคนขับแท็กซี่คันหนึง่งหยุดงานติดต่อกันหลายวันส่วนถ้าแก่เจ้าของอู่ก็ไม่อยากเสียผลประโยชน์จึงบอกให้บุญส่งออกไปขับรถแทน ด้วยความที่อยู่กรุงเทพมานานทําให้เขาพอจะรู้เส้นทางบ้างไอ้บุญทรงอย่าพาลูกค้าลงทางนะโวย้ยพอคนขึ้นรถกอ็อย่าลืมกดมิเตอร์ล่ตะตาชุยพูดพร้อมกับหัวเราะรู้แล้วล่ะตะฉุยบุญส่งเดินไปรับกุญแจรถแล้วรีบสตาร์ทรถออกจากอู่ไปจากการที่ได้แทนคนอื่นอยู่เรื่อยๆบ ก, กับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ทําให้เจ่าแก่เลื่อนบุญส่งให้ไปเป็นคนขับแท็กซี่โดยให้เงินเดือนเท่าเดิมแต่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ส่วนหนึ่ง นั่นก็หมายความว่าถ้าวันไหนบุญส่งขับแท็กซี่ได้เงินมากก็จะได้ส่วนแบ่งมากวันไหนขับได้น้อยก็จะได้ส่วนแบ่งน้อยด้วยความอยากได้อยากมีและอยากส่งเงินกลับบ้านเยอะๆทําให้บุญส่งขยันออกแต่เช้ามืดทุกวันกว่าจะกลับเข้าอู่ก็มืดค่าเพราะความที่ตนอยากจะให้พ่อแม่อยู่สบายจึงทํางานอย่างไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยครั้งกลับถึงห้องพักก็หลับสนิทโดยไม่สนใจว่าจะฉุยไปนั่งกินเหล้าอยู่ที่ไหนวันรุ่งขึ้นบุญส่งก็ออกรถตอนเช้ามืดอย่างเช่นทุกวัน รถเบ่งออกจากกู่ไปได้สักระยะหนึ่งก็มีหญิงวัยกลางคนเรียกให้ไปส่งที่สี่แยกข้องวัวเมื่อขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ผู้โดยสารบอกหลังจากผู้โดยสารจ่ายค่าโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วผุนส่งก็ขับรถออกไปอย่างช้าๆฉับพลันสายตาก็เห็นผู้โดยสารคนหนึ่งกำลังหอบผิวของผดุงพรังเขารีบขับรถเข้าไปเทียบฟุตบาทแล้วมันก็เป็นไปตามอย่างที่เขาหวังเมื่อคนที่หอบของนั้นหันมาก็รีบเปิดประตูขึ้นมานั่งบนรถทันที จากนั้นบุญส่งก็ทําหน้าที่สารถีนําผู้โดยสารไปส่งยังจุดหมายปลายทางวันนั้นเป็นวันที่บุญส่งมีผู้โดยสารมากกว่าปกติและเมื่อเขาหยิบเงินขึ้นมานับก็เห็นว่าได้มากกว่าทุกวันจากนั้นเขาจึงตัดสินใจขับรถกลับอู่เพื่อพักผ่อนและทําความสะอาดรถในขณะที่กําลังทําความสะอาดรถอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นที่ใต้เบาะด้านหลังมีถุงกระดาษใบหนึ่งตกอยู่เมื่อเขาหยิบขึ้นดูถึงได้รู้ว่าข้างในนั้นมีลอตเตอรี่ปึกหนึ่งและมีผ้าตัดเสื้ออีกหนึ่งชิ้น เขาพยายามคิดอยู่ว่าของชิ้นนี้เป็นของใครแต่ก็นึกไม่ออกเพราะวันนั้นมีลูกค้าหลายคนวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจเอาของเหล่านี้ไปประกาศหาเจ้าของที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งและเมื่อเขามาถึงในสถานีวิทยุแห่งนั้นบุญส่งก็นั่งมองไปเห็นชั้นเก็บของที่เหล่าบรรดาคนขับแท็กซี่นำมาฝากไว้เขาเปลี่ยนใจขึ้นมาทันทีโดยบอกกับเจ้าของสถานีวิทยุแห่งนั้นว่าตนเก็บของได้แต่อยากส่งมอบด้วยตนเอง หากใรเป็นเจ้าของให้ติดต่อกลับไปยังอู่ที่ตนทำงานอยู่นอกจากนั้นบุญส่งพยายามขับรถไปตามเส้นทางที่เขาผ่านในวันนั้นวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้พบผู้เป็นเจ้าของเขารู้สึกไม่สบายใจที่มีของชิ้นนี้ไว้ในครอบครองเพราะใจนั้นอยากจะรีบส่งคืนให้กับเจ้าของคิดไปคิดมาเขาก็คิดได้ว่าน่าจะเป็นของคนที่อยู่สี่แยกโอกวัวทุกวันเขาจึงไปจอดรถอยู่บริเวณนั้นเพื่อหวังว่าจะได้พบกับเจ้าของถุงกระดาษใบนี้ มนเวลาผ่านไปร่วมสัปดาห์เขาก็เห็นคนที่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของถูกกระดาษใบนั้นแต่ยังไม่ทันที่จะลงไปหาคนนั้นก็ขึ้นรถแท็กซีค่คนอื่นไปแล้วเขาเรีบขับรถตามไปติดๆสัพักก็เห็นผู้โดยสารลงจากรถแล้วเดินเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งบุญส่งเดินตามไปจนถึงบ้านหลังนั้นแต่กว่าที่ทั้งสองจะได้เจอกันก็ต้องยืนรออยู่นานคุณน้าครับวันก่อนคุณน้าลืมของไว้บนรถผมหรือเปล่าครับบุญส่งพูดพร้อมยกถูกกระดาษให้ดู ใช่ใช่ของฉันเองนึกว่าจะไม่ได้คืนเสร็จแล้วขอบใจพ่อหนุ่มมากเลยนะหญิงคนนั้นกล่าวด้วยท่าทางดีอกดีใจและเปิดออกดูทันทีและไม่เห็นทุกอย่างอยู่ครบถ้วนจึงกล่าวชมเชยในความดีของบุญส่งพร้อมกับหยิบลอตเตอรี่ในถุงกระดาษแบ่งให้บุญส่งไปส่วนหนึ่งเป็นการตอบแทนตั้งแต่ที่เขาได้รับลอตเตอรี่มาเก็บไว้ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาเป็นคนไม่ชอบเล่นหวยเมื่อถึงวันหวยออกเขาก็ได้ซื้อเรียงเบอร์มาตรวจ เมื่อกลับถึงห้องก็เอาลอตเตอรี่ออกมาตรวจและเขาก็แทบชอ็อกเพราะลอตเตอรี่ที่ได้รับมานั้นถูกรางวัลที่หนึ่งเขาอย่งจังแต่ฉุยเห็นถึงกับช็อกตาข้างไปชั่วขณะบุญส่งนําเงินไปซื้อบ้านซื้อนาและเปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆให้แต่ฉุยจากนั้นตะฉุยก็ได้เป็นเจ้าของอู่อย่างไม่คาดฝันมาก่อนบุญส่งซื้อบ้านในกรุงเทพและไปรับพ่อแม่มาอยู่เป็นครั้งคราวตัวเขาเองก็ได้เป็นเจ้าของรถแท็กซี่ วันไหนที่เขามีเวลาว่างก็มักจะแวะไปเยี่ยมเยียนเจ้าของลอตเตอรี่ผู้เลีกชีวิตให้เขาอยู่เป็นประจำและไม่ลืมที่จะแวะเวียนไปหาเจ้าของอู่แท็กซี่ด้วยครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดของบุญส่งก็จบลงสมเหตุและก็สมผลสมควรที่จะได้รับอะไรดีๆก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ผมถ่ายทอดนะครับและหากว่าการถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ คิดและหวังว่าเรื่องราวนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดนตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดรํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ